จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ส6ธันวาคมพุทธศักราช2552ตรงกับวันแรม14่ค่ำเดือนไอเป็นวันพระวันธรรมสวนะัสดวันฟังธรรมวัน ดูแลจิตใจทันุนบำรุงรักษาจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สามารถจิไปดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติใจก็เปลี่ยบเหมือนรถยนต์ที่ต้องมีการเข้าอู่ซ่อมบำรุงเป็นระยะระยะรถยนต์ ก็ต้องเข้า อ, อู่คอยซ่อมบํารุงตามระยะเวลาของการใช้งานถึงเวลาก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนน้ํามันเครื่องต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันไส้กรองอากาศต้องทําอะไรหลายอย่างตรวจ ด, ดูสภาพของรถว่าชํารุดชุดโทรตรงไหนหรือเปล่ามีอะไรเสียหรือไม่ จะได้แก้ไขจัดการให้อยู่ในสภาพปกติเพื่อเวลาใช้งานจะใช้ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัยไม่ต้องมา <c oughs> ลำบากลดเสียกลางทางต้องมีรถมาลากไปเข้า อ, อูะ ใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันเพราะพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พวกเรานำใจของเราเข้าอู่ซ่อมบำรุงทุกอาทิตย์คือ8วันบ้างเจดวันบ้างหวันบ้างขึ้นอยู่กับวันขึ้นกับวันแรมบางครั้งหกวันอย่างวันนี้ก็เพราะว่าเป็นแรม14บ่ํา ถ้าเป็นขึ้น8ปดค่ำหรือแรง8ปดค่ำก็จะ7ดวัน8วันถ้าเป็นวันขึ้นหรือแรงสิบหาค่ำก็จะเป็น7วันนี่คือวันที่พวกเราควรจะเอาใจของเราเข้าอู่ซ่อมบำรุงมาเติมน้ำมันเติมลมเติมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองอะไรต่างๆเหล่านี้ เพื่อใจของเราจะได้ทำงานได้เต็มที่มีกำลังใจที่จะเผชิญกับเรื่องราวต่างๆทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีได้อย่างมันคงปลอดภัยถ้าใจได้มาเข้าวัดนอยู่อย่างเรื่อยๆแล้วจะไม่มีความทุกข์ ที่จะมาสามารถทำให้ใจนี้ถึงกับเกิดความท้อแท้ไม่มีความอยากที่จะอยู่ต่อไปคนที่เข้าวัดเป็นประจำนี้จะไม่ท่าตัวตายอย่างแน่นอนเพราะมีธรรมะเพราะใจมีกำลังที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียทางด้านลาบยกสารเสริญสุขหรือเป็นการสูญเสียทางร่างกายเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายพิกลพิการหรือเป็นโรคที่จะต้องตายไปภายในสมเดือนหกเดือนใจจะไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ ถ้าได้เข้ามาซ่อมบำรุงใจอย่างสม่ำเสมอเช่นเรามาวัดนี้เราก็มาทำหลายอย่างเวลาเราทำบุญให้ทานนี้ก็เป็นเหมือนกับการเติมน้ำมันเติมลมให้กับยางเติมน้ำให้กับเบน้ำ แล้วก็เติมน้ำมันเบรคเติมน้ำมันคลัชเติมอะไรต่างๆให้กับรถยนต์ถ้ารถยนต์มีสิ่งต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์รถยนต์ก็สามารถเดินทางไปได้ทุกแห่งทุกคนทุกคนทุกแ ห, ห่งไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นเขาลงห้วยรถยนต์ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรสามารถไปได้อย่างอย่างปลอดภัย ใจของเราถ้าได้เติมอาหารคือได้ทำบุญให้ทางก็จะได้มีความอิ่มเอิบมีพลังมีกำลังใจที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือที่กำลังเกิดขึ้นส่วนการรักษาสิงก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนพวกน้ำมันเครื่องเปลี่ยนพวกไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมัน พ่าเมื่อเราใช้ไปมากน่าเข้าแล้วน้ํามันมันก็จะเสื่อมสภาพไม่มีความหล่อลื่นเพียงพอที่กรองน้ํามันก็ไม่สามารถกรองสิ่งที่เป็นปฏิปฏิกูลให้ออกจากน้ํามันเครื่องได้ที่กรองอากาศก็ไม่สามารถที่จะกรองฝุ่นทั้งหลายให้ออกจากอากาศได้ ถ้าไม่ได้รับการ <c oughs> เปลี่ยนรถยนต์ก็จะวิ่งไปแบบติดติดับดับเพราะว่าไม่ได้รับอากาศที่สะอาดพอเพียงหรือน้ามันหล่อลื่นไม่ไม่หล่อลื่นได้เท่าที่ควร น, นั่นเองศีลก็เป็นอย่างนี้เรารักษาศีลพอเรากลับไปทำงานเราก็จะรักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้าง แล้วพอถึงวันที่หวันที่7ก็อาจจะไม่ได้รักษาเลยพอวันที่7วันที่8เหรือ ว, วันที่หเราก็กลับมาวัดแล้วเราก็มาสมาทานศีลกันใหม่เหมือนกับมาเปลี่ยนไส้กรองมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องศีลเก่าของเรามันวิบัติไปแล้วเพราะเราไม่ได้รักษาได้อย่างต่อเนื่องก็ไม่เป็นไร ถึงเวลา<ม>เราก็มาสมาทานศีลกันใหม่สมาทานศีลห้ากันและถ้าเป็นวันพระก็สมาทานศีล8ปอย่างนี้ก็จะทำให้ใจของเรามี ม, มีมีความสุขมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเบาบางลงไปเพราะความทุกข์ ความวุ่นวายใจนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกนั่นเองการกระทำบาปทำกรรมเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาถ้าไม่ทำ้วความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะไม่เกิดขึ้นใจก็จะสงบเย็นสบายคนที่ีคนที่รักษาศีลได้นี้ใจจะมีความมั่นคง จะไม่หวาดหวัน่นไม่หวาดภวากับโทษที่จะตามมาเพราะไม่มีเหตุที่ไปสร้างโทษนั่นเองแต่ถ้าทำบาปแล้วก็จะมีความหวาดภวาต่อโทษที่จะตามมาเพราะได้ไปสร้างเหตุไว้แล้วได้ไปกระทำสิ่งที่จะทำให้มีโทษตามมาแล้วเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดอเว้ี ไปพูดปดโกโหกหลอกลวงไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกเขามาเอาคืนมาจับเราไปลงโทษในขณะที่ยังไม่โดนจับก็จะเป็นเหมือนกับวัวสำลังหวะเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาจับเราเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดไปบ้าง แต่เพียงเห็นเจ้าหน้าที่เดินมาก็จะตกใจกลัวแล้วเพราะว่าได้ไปทำบาปไว้แล้วนั่นเองมีแผลอยู่แล้วพออะไรไปสกิดเข้าหน่อยก็จะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมา <c oughs> ดังนั้นเราจึงควรที่จะละเว้นจากการกระพุทธ <c oughs> การกระทำบาปกต่างๆเพราะมันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ กับจิตใจเลยมีแต่เป็นโทษทั้งในปัจจุบันและโทษที่จะตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้ที่จะต้องไปรับของผลบาปอีกต่อหนึ่งถ้าทำบาปแล้วบาปเป็นผู้พาไปก็จะพาไปสู่อบาย ไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สำคัญเพราะความเชื่อนี้ไม่ได้ไปลบล้างความจริงความจริงก็คือการกระทําของเราทำอย่างไรผลก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่สามารถไปลบล้างกฎแห่งกรรมได้กฎแห่งกรรมที่พระเจ้าทรงตรัสสอนว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่แหลวพ่อแม่ที่แท้จริงของพวกเราก็คือกรรมนี่เองที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะกรรมดีที่เราได้ทำไว้ คือเราได้รักษาสี้วยนั่นเองจึงทำให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พ่อแม่ที่ให้กาเนิดเรานี้เพียงแต่เป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบที่สร้างเป็นผู้ผลิตร่างกายให้กับใจของเราแต่ใจของเรานี้มีกรรมเป็นพ่อเป็นแม่ใจของเรานี้มีเป็นทายาทของกรรม เป็นผู้ที่กรร <c oughs> มอบมรดกให้ถ้าเรารักษาศีลได้บอยสุดเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีหลังจากที่เราตายไปแล้วหรือหลังจากที่เราได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วเมื่อบทบุญในสวรรค์แล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีไม่ต้องไปอบายไม่ว่า จะตายไปแล้วก็กไม่ต้องไปอาบายถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ก็จะได้มาเป็นมนุษย์ทันทีเพราะการรมนี้เป็นผู้ให้กำเนิดกับเราการรมเป็นเผ่าพันเรามาเกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่คนเดียวกันมีพี่น้องหลายคนแต่พี่น้องของเราแต่ละคนนี่ใจไม่เหมือนกัน พ่อใจไม่ได้มาจากพ่อจากแม่คนเดียวกันใจมาจากกรรมคนที่ทําบุญมากก็จะมีอนิสงฆ์มากมีบารมีมากคนที่ทําบุญน้อยก็จะมีบารมีน้อยเกิดมาแล้วจึงมีความไม่เท่าเทียมกันพี่น้องแต่และคนนี้มีความรู้ความสามารถความดีความชอบมีความ ไม่ดีไม่ชอบไม่เท่ากันพี่น้องบางคนก็ชอบเดินสระเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนพี่น้องบางคนก็ชอบเข้าวัดชอบทำบุญให้ทานชอบรักษาศีลชอบปฏิบัติธรรมชอบออกบวชเหล่านี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ให้เพียงร่างกายซึ่งเป็นเหมือนรถยนต์ แต่คนขับนี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่คนขับนี้คือใจมาจากพบก่อนชาติก่อนมาแบบดีหรือแบบชั่ว<ม>ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้เคยทำไว้ถ้าเคยทำกรรมไว้ก็จะติดนิสัยทากรรมตามมาถ้าชอบดื่มสุราเคยดื่มสุรามาก็จะมาดื่มสุราต่อ ถ้าชอบเที่ยวกลางคืนเคยเที่ยวกลางคืนเป็นนิสัยก็จะมาเที่ยวกลางคืนต่อถ้าเล่นการพนันเป็นนิสัยก็จะมาเล่นการพนันต่อถึงแม่พ่อแม่จะไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เที่ยวกลางคืนแต่ลูกนี้ก็จะไปทาตามนิสัยเดิมของเขาพ่อแม่ก็ห้ามไม่ได้ด้วยพูดยังไงปากเปียกปากฉี่ เขาก็ไม่ฟ like so hey. ังเพราะเขาถนัดอย่างนั้นเหมือนกับถ้าเขาถนัดมือซ้ายใช้มือซ้ายพอมาเกิดเขาก็จะใช้มือซ้ายถึงแม่พ่อกับแม่จะถนัดมือขวาหรือสอนให้เขาใช้มือขวาเขาก็ยังไม่ใช้มือขวาเพราะเขาไม่ถนัดนั่นเองเขาไม่เคยทำเคยไม่เคยใช้มือขวาคนที่ไม่เคยเข้าวัดจะชวนให้เข้าวัดเขาก็ไม่อยากจะเข้าวัด คนที่ไม่เคยรักษาศีลจะให้เขารักษาศีลเขาก็ไม่รักษาศีลคนที่ไม่เคยทำบุญให้ทานจะให้เขาทำบุญให้ทางเขาก็จะไม่ทำเพราะเขาไม่ถนัดเขาไม่ชอบเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราชอบแล้วไม่ชอบก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสอนเราว่าเราควรจะชอบอย่างนี้หรือไม่ชอบอย่างนี้เราจะรู้อยู่ในใจของเราเลยพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราจะรู้เลยว่าชอบหรือไม่ชอบเห็นสีนี่เราจะรู้เลยว่าเราจะชอบสีไหนไม่ชอบสีไหนแต่อีกคนหนึ่งพี่น้องที่มาจากพ่อแม่เดียวกันกลับมีความชอบไม่ชอบไม่เหมือนเรานี่ก็เป็นเพราะกรรมนี่เองกรรมก็คือที่การกระทําของเราที่เราทําอยู่ตลอดเวลานี่แหละทําไปแล้วมันก็ ติดเป็นนิสัยไปถ้าทํามากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสันดานไปนิสัยนี้ยังพอแก้ได้แก้ง่ายกว่าสันดานสันดานนี้แก้ยากกว่าบางอย่างของเราก็เป็นสันดานบางอย่างของเราก็เป็นนิสัยเราจะรู้เองเวลาที่เราจะเปลี่ยนนิสัยหรือเปลี่ยนสันดาน ถ้าเป็นนิสัยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าจะเปลี่ยนสัญดานี่มันจะรู้สึกว่ายากมาก <c oughs> เพราะว่าเหมือนกับตอกเสาลงไปในดินนี่เองถ้าตอกลงไปไม่ลึกเวลาจะถอนขึ้นมามันก็ไม่ยากแต่ถ้าถถ้าตอกมันลงไปจนจมเม็ดลงไปในดินแล้วยังเอาเอาเสาอีกเสาหนึ่งตอก ตอบทับลงไปอีกมันยิ่งยากต่อการที่จะถอนมันขึ้นมาดังนั้นเวลาเราทำอะไรเราจึงควรระมัดระวังควรคิดให้ดีว่าการกระทําของเรานี่ดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็พยายามยับยั้งเสียเพื่อจะได้ไม่กลายเป็นนิสัยไม่กลายเป็นสัญญาณ พอเมื่อมันเป็นนิสัยเป็นสันดา์แล้วมันจะแก้ยากยิ่งเป็นเรื่องของบาปกรรมนี้มันมันจะให้ทุกข์กับเรามากมันจะทำให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นเวลาอันยาวนานแต่ถ้าเป็นการกระทาที่ดีเช่นการมาวัดอย่างนี้มาทาบุญให้ทานมารักษาศีล ฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเป็นการกระทาที่ดีเป็นการปลูกฝังนิสัยสันดานที่ดีที่เรียกว่าบารมีที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้สร้างกันได้ปลูกฝังกันพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตัดสินเป็นพระ พุทธเจ้าได้นี้จะต้องสร้างบุญบรารมีอย่างน้อยก็สิบประการด้วยกันคือทานบรารมี 2. ศีลบรารมีสมเนคขมบรารมี 4. <c oughs> อธิษฐานบรารมี 5. สัจจะบรารมี 6. วิริยะบรารมี 7. ขันติบรารมี8 เมตตาบามี9ปัญญาบามีและสิอุเบกขาบามีนี่คือความดีงามทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ปลุกฝันและได้สร้างให้เจริญจนงอกงามทำให้พระองค์ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ากัน ไม่ได้การการมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญหรือเกิดด้วยความชอบที่อยากจะเป็นแล้วก็จะเป็นขึ้นมาได้ทันทีมันเป็นไปไม่ได้เพราะความชอบความอยากเป็นนี้มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนพวกเราอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีความอยากนี้มันไม่ได้ทำให้เราเป็นนายกได้เราอยากจะเป็นนายกเราก็ต้องทำความดีเราต้อง มีผู้สนับสนุนมีประชาชนที่ยินดีที่จะสนับสนุนเราถ้าเรามีประชาชนมากพอที่จะสนับสนุนเราเราก็จะเป็นนายกได้ถ้าเราอยากจะเป็นนายกเราก็ต้องทำความดีให้มากเพื่อให้เป็นที่รู้จักต่อคนเป็นจำนวนมากเมื่อเขารู้แล้วเขาก็อยากที่จะสนับสนุนเรา เราก็เป็นนายกได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นทุกอย่างมีเหตุคือการกระทาทั้งสิ้นอยากจะเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องมีเหตุคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินหาเงินหาทองขยันเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ขี้เกียจใช้เงินใช้ทอง อย่างนี้ก็จะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความอยากเป็นเฉยๆเกิดจากการปลูกฝังนิสัยสันดานที่ดีนี่เองและเช่นเดียวกับการที่ไม่อยากจะเป็นคนช่่งไม่อยากจะไปติดคุกติดตารางไม่อยากจะไปมีเรื่องราวมีปัญหาต่างๆมันก็ไม่ได้เกิดจากความอยากเฉยๆถึงจะหายไปได้ มันจะต้องเกิดจากการกระทำถ้าเรารู้ว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีมาเราก็ต้องพยายามเลิกให้ได้ถ้าเราเดื่มสุราเป็นประจาเราเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นโทษเราก็ต้องพยายามเลิกให้ได้ <seems like this> เล่นการพ ร, ระนันก็เช่นเดียวกันเที่ยวกลางคืนก็เช่นเดียวกันคบคนชั่วเป็นนิสก็เช่นเดียวกันหรือมีความเกลียดคร้านก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่เราต้องถอดถอนให้ได้เพราะเหล่านี้เรียกว่านิสัยสันดานที่ไม่ดีนั่นเองหรือชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดประเวณีชอบโกหกหลอกลวงนี่ก็เป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นนิสัยสันดานที่ไม่ดีมีเหตุเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมให้กับเราตลอดเวลาแต่การที่จะ ให้ความทุกข์ความเสื่อมต่างๆนี้หายไปจากเรานี้มันต้องเกิดจากการทำลายเหตุเหตุที่ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสื่อมเสียก็คืออบายามุขต่างๆและการกระทำบาปกรรมต่างๆนั่นเองเราก็ต้องพยายามลดพยายามละและพยายามเลิกให้ได้อยู่ที่ใจเราเท่านั้นอยู่ที่ความตั้งใจที่ เรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีนี้คือความตั้งใจไม่ได้ไม่ได้เป็นความขอขอขอวิงวอนคำว่าอธิษฐานทางภาษาพระนี้แปลว่าความตั้งใจถ้าเราอยากจะทำอยากจะเลิกอะไรเราก็ต้องมีความตั้งใจว่าต่อไปนี้จะเลิกกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้น แล้วเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะบารมีด้วยเมื่อเราตั้งอะไรไว้แล้วเราต้องล้มไม่ได้เราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เราตั้งเอาไว้เหมือนกับเป็นการให้คามั่นสัญญากับตัวเราเองเราต้องมีสัจจะเรามาหลอกลวงตัวเราเองไม่ได้บอกว่าวันนี้วันนี้จะไม่กินเหล้าพอตอนเย็นมีเพื่อนมาชวน มีเพื่อนเอาเล่ามาให้ก็เลิมไปแล้วว่าตอนเช้ามาวัดมาสมาทานศีลว่าจะไม่ดื่มสุรายาเมาตั้งตั้งสัจจะอธิษฐานไงว่าจะไม่ดื่มแต่พอตกเย็นเกิดอาการเปี้ยวปากขึ้นมาหรือมีเพื่อนมาชวนก็เลยไปดื่มกับเขาอย่างนี้ อย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะมีแต่อธิษฐานมีแต่ความตั้งใจแต่ไม่มีความจริงใจถ้าไม่มีความจริงใจแล้วต่อให้สร้างตั้งใจจะทำอะไรก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ตั้งอะไรไว้แล้วพอถึงเวลาที่จะทำก็ไม่ทำอย่างนี้ตั้งไปก็ไร้ประโยชน์แต่ก็จำเป็นจะต้องตั้งไว้เพราะถ้าไม่ตั้งยิ่งไปกันใหญ่ เพราะจะไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างวันที่ญาตโยมก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเป็นวันพระจะมาวัดเนี่ยกตั้งใจว่าจะมาวัดนี้เรียกว่าอธิษฐานบารมีแล้วถ้ามาได้มาตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็แสดงว่ามีสัจจะบารมีถ้าไม่มีสัจจะบารมีตื่นขึ้นมาเดี๋ยวมีโทรศัพท์โทรมาติดต่อเริ่มธุรกิจ หรือชวนไ ป, ไปไปทำไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถ้าไม่มีสัจจะก็จะไปกับเขาแต่ถ้ามีสัจจะก็จะปฏิเสธเขาไปว่าวันนี้ไปไม่ได้เพราะตั้งใจจะมาวัดวันนี้เป็นวันพระนี่คือเรื่องของการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนี้ต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะบา ร, รมี ความจริงใจถึงจะสามารถทำในสิ่งที่ได้ตั้งใจเล้ได้เช่นพระพุทธเจ้าตอนประทับอยู่ใต้ค น, คนต้นโพก่อนที่จะทรงตัดสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้ทรงตัได้ทรงตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่าจะนั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ ไปจนกว่าจะตัดสรุ้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถ้าตราบใดยังไม่ได้บรรลุจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้ไปเป็นอนขาดถึงแม้ว่าร่างกายจะตายไปก็จะไม่ยอมลุกขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าไม่ตายก็จะต้องตัดสรุปเท่านั้นไม่มีทางอื่น นี่ถ้าลองได้ตั้งสัจจะอย่างนี้แล้วถ้าไม่ตาย ม, มันก็ต้องสำเร็จแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามถ้าลองตั้งสัจจะแบบนี้แล้วชเช่นถ้าอยากจะเลิกสุราเพื่อตั้งสัจจะไว้เลยว่าจะต้องเลิกสุราในวันนี้ให้ได้จะไม่ดื่มสุราตั้งแต่วันนี้ไปเป็นอันขาดถ้าดื่มก็ขอให้ตายเท่านั้นอย่างนี้ ถ้าทำอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่กล้าดื่มเพราะดื่มแนละ้วมันต้องตายอย่างนี้มันก็จะไม่กล้าดื่มคนเรามันต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดถึงจะสามารถทำอะไรให้บรรลุเป็นผลได้ถ้าไม่มีความเด็ดขาดไม่มีความจริงใจ ต, ต่อต่อตนเองแล้วชีวิตก็จะเป็นชีวิตแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ จะถูกอารมณ์ต่างๆมาหลอกมาล่อไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีได้ถ้าเป็นเรือก็เป็นเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนรถยนต์ที่ไม่มีพวงมาลัยไม่สามารถบังคับให้รถยนต์วิ่งไปในทิศทางที่ที่ดีได้ที่ปลอดภัยได้ รถยนต์ที่ไม่มีเพลิงวลัย ไ, ไม่มีใครกล้าขับไม่มีใครกล้าขึ้นเพราะไม่รู้ว่ามันจะวิ่งไปทางไหนนั่นเองฉันใดชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีสัจจะบามีไม่มีอธิษฐานบามีชีวิตของเรานี้จะไม่มีทางที่จะก้าวหน้าไปได้เลยชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่ ไม่อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าเรามีสัจจะมีอธิษฐานบารมีเราก็จะเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงดาเนินไปอย่างแน่นอนและจะไปถึงจุดหมายที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายไปถึงกันได้เพราะท่านไปแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นท่านไปด้วยอธิษฐานบารมีด้วยสัจจะ บ, บารมี พอท่านมีอธิษฐานมีสัจจะแล้วท่านก็มีวิริยะบา ร, รมีคือความอุตสาหะความภาคเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็มีขันติบา ร, รมีถึงแม้ว่าจะยากจะลําบากอย่างไรก็จะสู้จะอดจะทนจะไม่ยอมถอยเป็นเอขาดจะเจ็บจะปวดจะเหนื่อยจะยากอย่างไรก็จะไม่ยอมถอย จะสู้ไปเรื่อยๆต อ, อบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่จะไม่ยอมถอ ย, ถอยจะไม่หยุดยั้งต่อการกระทาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ได้นี่ถ้ามีบาราีทั้งสี่ประการนี้แล้วไม่ว่าจะทำอะไรจะทำได้อย่างแน่นอนถ้ามีอธิษฐานบาราีสั จ, จบาราีวิริยะบาราี ขันติบารมีแล้วจะสร้างบารามีอย่างอื่นนี้สามารถสร้างได้หมดสร้างทานบารมีก็ได้ศีลบารมีก็ได้เนคขัมบารมีก็ได้เมตตาบารมีก็ได้ปัญญาบารมีก็ได้อุเบกขาบารมีก็ได้เมื่อสร้างได้ทั้งหมดนี้แล้วมรรผลนิผ่านก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการเไวียนว่ายตายการสิ้นสุดแห่งการเไวียนว่ายตายกฎ ตายเกิดก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งสิ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระอาหารหันตสาวกรูปใดรูปหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบรารมีทั้งสิบประการนี้เท่านั้นถ้าเราปลูกฝังอย่างที่พวกเรามาปลูกฝังกันแล้วปลูกฝังให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็ รับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานนี้จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนไม่มีไม่มีเป็นอื่นอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อการมาวัดในวันธรรมมัศวานะเพื่อที่จะมาปลูกฝังนิ ส, สัยสันดานที่ดีและมาถอดถอนนิสัยสันดานที่ไม่ดีให้หมดไปจากจิตจากใจ เพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรจัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญความแค้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง